จเจริญรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้รับประโยชน์คือได้รับความสุขความเจริญได้รับความรู้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาชีวิตอันมืดบอดของพวกเราไปสู่ จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญความไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความสุขความเจริญของพวกผู้ของเรือ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์ หรือการได้ทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ 3. การไม่มีหนี้ 4. การกระทาที่ไม่เป็นโทษนี่คือเหตุของความสุข4ี่ประการถ้าเรามีเหตุ4ี่ประการนี้เราจะมีความสุขกันมากประการที่หนึ่ง การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ใครๆก็รู้ว่าเวลาได้ทรัพย์มาเวลามีทรัพย์จะรู้สึกสบายจะรู้สึกมีความสุขกันทีนี้วิธีที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์นี้ก็มีหลายวิธีวิธีที่ไม่มีโทษก็มีวิธีที่มีโทษก็มีดังนั้นเราต้องรู้จักวิธี ที่มีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีไม่มีโทษวิธีที่ไม่มีโทษ น, นี่ก็มีสองสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเกิดจากบุญก่าที่เราได้ทำมาในอดีตชาติถ้าเราทำบุญทาทานมามากมาเกิดชาตินี้ก็จะเกิดบุญกองเงินกองท อ, อ, องเป็นลูกของมหาเศรษฐี เป็นลูกของคน ร, ำร่ำรวยก็ไม่ต้องไปหาอะไรมีมาเองเป็นผลที่เกิดจากการได้บริจากทรัพย์ต่างๆในอดีตชาติพอได้มาเกิดเป็นชาตินี้ก็ได้ทรัพย์สมบัติอย่างพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวชสังดอนพ่อของก็สงศีสละบริจาค ข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้หลุดไปแล้วพอตายไปท่านก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยห้องร้อมคอยรับใช้คอยตอบสนอง ความต้องการทุกรูปแบบนี่คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์จากการได้ทําบุญมาในอดีตชาติถ้าเราไม่ได้ทําเราเกิดมายากจนเราก็ยังมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มีโอกาสที่จะร่ารวยได้ถ้าเราหมั่นศึกษาหาวิชาความรู้เช่นไปเรียนหนังสือ เรียนให้มากๆเรียนให้จบเป็นแพทย์จบเป็นวิศวกรเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนักบริหารธุรกิจถ้ามีความรู้ก็สามารถเอาความรู้นี้มาทำอาชีพสุจริตคือไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมามเราก็หาซับโดยที่ไม่ต้องทำบาปเราก็จะมีเงินมีทอง ม, มีความสุขจากการได้เงินได้ทองนี่คือวิธีมีทรัพ์หรือได้ทรัพ์มาโดยวิธีที่ไม่มีโทษสองวิธีนี้ดีส่วนวิธีที่สามนี้ท่านบอกว่าไม่ดีวิธีที่ได้ทรัพ์มาแต่มีโทษตามมา เช่นทำผิดกฎหมายค้ายาเสพติดฟอกเงินคอร์รัปชันโกงค้าขายก็โกงโกงตาช่างโกงปริมาณข้าวกระผสมฝุ่นเข้าไปอะไรตำนานนี้คือหาทรัพย์โดยวิธีช่อโกงอันนี้ไม่ไม่ดีเพราะจะมีโทษตามมา อาจจะถูกจับเข้าไปติดคุกติดตารางได้เห็นคนที่คอร์รัปชันคนที่โดนเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปนะเขารวยกันเขามีเงินแต่เงินที่เขาได้มานี้เป็นเงินที่ไม่สะอาดเป็นเงินที่มีโทษวิธีนี้อย่าทำเพราะแทนที่จะได้ความสุขจากการมีทรัพย์กลับจะได้รับความทุกข์ได้รับโทษ นี่คือความสุขเหตุของความสุขข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เหตุของการมีความสุขในข้อที่สองก็คือการใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็มีวิธีใช้ได้2วิธีสองสาวิธีใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราหรือใช้ให้เกิดโทษกับเราก็ได้ วิธีใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้เพื่อซื้อปัจจัยสี่ซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้ขาดแล้วร่างกายก็จะเดือดร้อน อดอยากขาดแคลงก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานดังนั้นวิธีใช้ทรัพย์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขก็ต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นใช้กับปัจจัยสี่นี่คือวิธีให้เกิดความสุขจากการใช้ทรัพย์เราเสียเงินไปแต่เราได้ความสุขกลับมาได้ความสุขทางร่างกายอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้เรามีความสุข คือความสุขทางใจก็คือถ้าเราใช้เงินไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่พอเพียงแล้วยังมีส่วนเกินอยู่ก็เอาไปทำบุญทำทานการให้เงินทองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นจะทำให้เราได้ความสุขใจและได้สะสมบุญเป็นการสร้างบุญไว้ในตัชช้านี้ พอชาติหน้าเรามาเกิดใหม่เราก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่เหมือนที่พระเวชสันดรได้ทำไว้หลังจากที่เราแบ่งเงินส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้สำหรับร่างกายแล้วถ้าเรามีส่วนเกินก็เอาไปบริจาคเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก็ได้ เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาิสนิทมิตรสหายผู้ใดที่เขามีคุณกับเราก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณมีเงินอะไรก็แบ่งไปซื้อข้าวซื้อของไปแล้วเราจะมีความสุขทางใจเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจเราอย่างวันที่ญาตโยมก็เอาเงินส่วนเกิน ที่ไม่ต้องใช้กับปัจจัยสี่มาทำบุญมาถวายข้าวของให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรทำแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วก็มีบุญติดตัวไป<อ>เวลาตายไป<อ>จะไม่ต้องไปเป็นเปรตเพราะว่าไม่ไม่ขอใครหากินเองนอกจากหากินแล้วยังหาบุญซื้อบุญติดตัวไปด้วย เวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเป็นเปรตเพราะมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความอิ่มผู้ที่ไม่ทำบุญแล้วก็ทํารรบาเช่นไปลักขโมยเข้าของคนคนอื่นอยากจะได้อะไรก็ไปขโมยเข้าของคนเจแล้วก็เวลามีทรัพย์มีข้าวของก็ไม่เอาไปทำบุญทำทานเก็บไว้สำหรับ ตัวเองเวลาตายไปก็ไม่มีบุญติดตัวไปบุญก็คืออาหารใจอาหารทิพที่ละร่างกายทิพคือใจนี้จะต้องอาศัยถ้าไม่มีก็ต้องมาขอส่วนบุญของพวกเราที่เราทําบุญกันในวันนี้เดี๋ยวเราทําบุญเสร็จเราก็อุทิศบุญส่วนหนึ่งไปให้แก่ผู้ที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณ เพาขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทําบุญจะเอาแต่ของคนอื่นอย่างเดียวไม่อยากจะให้ของของตนแก่ใครไม่อยอมทําบุญแล้วก็ไม่รักษาศีลทําบาปตายไปก็จะต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณกลับมาเกิดชาติหน้าก็กลับมาเกิดเป็นขอทานกลับมาเป็นคนยากจนเพราะไม่ได้ทําบุญเอาไว้นั่นเอง แต่ถ้าได้ทำบุญตายไปก็ไปเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็พวกเทวดาทั้งหลายแล้วก็เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนร่ดรวยไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพราะเราหามาไว้ก่อนน่วงหน้าแล้วด้วยการเอาเงินนี้ไปเข้าธนาคารบุญเวลาทำบุญนี่เหมือนกับเอาเงินไปเข้าธนาคารบุญ พอชาติหน้ากลับมาธนาคารบุญก็จะจ่ายเงินที่เราฝากไว้ให้กับเรานี่คือวิธีใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขใช้เงินให้เกิดความสุขกับร่างกายใช้เงินให้เกิดความสุขกับใจและใช้เงินให้มีเงินรอเราเราับรอรับเราอยู่เวลาเราจากโลกนี้ไปและเวลาเรากลับมาเกิดก็มีเงินทองรอรับเราอยู่ นี่คือประโยชน์จากการใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานวิธีที่ใช้เงินแล้วเกิดโทษก็คือการใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบก็อยากได้ก็ซื้อมาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ซื้อมาดื่ม ทั้งๆ ท, ที่ไม่จำเป็นเธอต้องดื่มไม่ต้องรับประทานไม่ต้องซื้อของอะไรต่างๆแต่อดไม่ได้เห็นแล้วอยากแล้วก็อยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่คือวิธีการใช้เงินที่เกิดโทษเพราะมันเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดของพวกนี้พอเราซื้อมาแล้วมันจะติดมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อย จะต้องดืม่มต้องกินอยู่เรื่อยๆไม่เชื่อลองไปซื้อสุรามาดืม่มดูซื้อมาดืม่มแล้วเดี๋ยวมันติดมันก็ต้องซื้อมาดืม่มอยู่เรื่อยๆซื้อบุหรี่มาสูบมันก็จะติดก็จะซื้อมาสูบอยู่เรื่อยๆแล้วของพวกนี้มันเป็นโทษกับร่างกายดื่มสุราเดี๋ยวร่างกายก็อายุสั้นมีเป็นมีความเสี่ยงต่อโรคภยครัยไข้เจ็บต่างๆ สุโขทัยก็เช่นเดียวกันรับประทานอาหารกินขนมดื่มเครื่องดื่ม ม, ม, มากมา ก, ก็เกิดโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินมีความดันมีเบาหวานมีไขมันอุดตันอะไรต่างๆนี่คือโทษที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากไม่ได้ใช้ด้วยตามความจำเป็นแล้วนอกจากนั้น ยังทำให้เรานี่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของตามความอยากต่างๆแล้วถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปกู้หนี้ยืมสินก็เลยทำให้ไม่มีความสุขเพราะความสุขข้อที่สก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ เวลามีหนี้แล้วมันไม่สบายใจเพราะต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้ถ้าไม่มีเงินใช้ก็ต้องคอยหลบคอยหนีแล้วในที่สุดก็อาจจะถูกตำรวจจับถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายเป็นคนไม่มีเครดิตไม่มีใครจะให้กู้หนี้ยืมสินอีกต่อไปเพราะว่าเสียเครดิตนี่คือ ความสุขข้อที่สาคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีนี่การที่จะไม่มีนี่เราต้องรู้จักคาว่ามักน้อยสันโดษมากน้อยก็คือใช้เท่าที่จำเป็นเช่นใช้กับปัจจัยสี่ถึงแม้ปัจจัยสี่ถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องมีมากแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องซื้อตามกำลังของเรา กินอาหารมือ 50, ม้อละห้าสิบมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินซื้ออาหารห้าร้อก็ซื้ออาหารมื้อละห้าสิบไปเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเงินทองเราจะได้พอใช้ถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินพอเป็นหนี้ล้วก็มีความวิตกกังวลกลัวจะใช้หนี้ไม่ได้ พอใช้นี่ไม่ได้ก็เขาก็จะเขาก็จะมายึดข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ไปบ้านช่องที่มีอยู่ก็อาจจะถูกยึดไปก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นคนที่จะไม่มีนี่ได้ต้องรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นอย่าฟุ่มเฟือยอย่าซื้อของหรูหราอย่าซื้อของไม่จำเป็นอย่าไปย่าเที่ยวอย่าดม อย่ารับประทานของที่เราไม่จําเป็นจะต้องดื่มต้องรับประทานแล้วเราจะได้ไม่ใช้เงินทองมากเกินกําลังของเราเราก็จะมีเงินเหลือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็จะได้เอาเงินเหลือนี้ไปทําบุญได้หรือเก็บสํารองไว้ในวันข้างหน้าเผื่อเราไม่มีรายได้เราก็จะได้มีเงินสํารองนี้ มาเลี้ยงดูเราต่อไปนี่คือความสุขข้อที่สาคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินข้อที่สี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษการกระทาที่เกิดโทษก็คือนี่การทาผิดกฎหมายการทาผิดศีลธรรมอย่าไปทำเพราะว่าทำแล้วจะมีโทษตามมา ทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกปรับขับรถเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็ปรับขนะับรถไปชนกันเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเสียค่าเสียค่าเสียหายใช้ค่าเสียหายถ้าคนตายก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางดังนันะ้นเราอย่าทำผิดกฎหมายอย่าไปค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายขายยาเสพติด ค่าสิ่งที่ลักลอบเข้ามาไม่เสียภาษีอย่าหลีกเลี่ยงภาษีมีไรายได้ต้องจ่ายภาษีเพราะภาษีนี้มันเอามาใช้ประโยชน์กับส่วนรวมเรามีถนนหนทางมีอะไรไปไหนมาไหนสะดวกมีตำรวจมาคอยคุ้มครองมีทาหารก็มาจากเงินภาษีของเราเน้นอย่าหลีกเลี่ยงภาษี ถ้าเขาจับได้ก็อาจจะถูกคอบกลับได้อาจจะติดคุกติดตลาดได้อย่าทำผิดกฎหมายแล้วจะได้ไม่ต้องไปใช้โทษส่วนผิดศีลธรรมก็อย่าทำอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดตปวเวนีอย่าโกหกอย่าเสพสุราอย่าเมาและอบายอนุกต่างๆเพราะการกระทำแบงนี้มันเกิดโทษกับผู้อื่น และกลับมาเป็นโทษกับเราเวลาเราฆ่าผู้อื่นผู้อื่นเขาเสียหายเราก็วุ่นวายใจฆ่าเขาแล้วเราก็ต้องหลบซอ่อนกลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือกลัวญาติพี่น้องของคนตายเขาจะมาจองล่างจองผานทำไปแล้วมันจะต้องมีโทษตามมาใจจะไม่สงบใจจะไม่สบาย เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตกใจคิดว่าเขาจะมาจับเรางั้นอย่าทำผิดศีลอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปพืชผิดตเองีอย่าไปโกหกหลอกลวงแล้วอย่าไปเสพอบายยามุกต่างๆดื่มสุราแล้วก็จะทำให้เกิดอาการเงินเมาไม่สามารถประคับประคองการกระทำที่ดีได้ คนเมานี่มักจะไปกระทาสิ่งที่เกิดโทษไปทเะเลา ะ, ะวิวาทกันไปตีกันไปฆ่ากันไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าผู้อื่นเกิดจากการมึนเมาบางคนจะทำบาสนี้ต้องดื่มสุราย้อมใจซะก่อนดื่มแล้วถึงจะกล้าทำเพราะเวลาไม่มึนเมานี้มันมีความอายต่อการกระทาความชั่วทั้งหลาย แต่พอดื่มโซดาไปแล้วความอายมันหายปเป็นมันก็เลยกล้าที่จะทำบาปทำบาปแล้วก็เกิดโทษเนี่ยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจิตใจจะไม่สบายร่างกายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางถ้าเป็นโทษหนะักก็ถึงกับปาหารชีวิตงั้นอย่าทำบาปอย่าทำผิดกฎหมาย แล้วนอกจากการทำบาสนี้จะมีโทษในขณะมีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปใช้โทษไปรับโทษต่ออีกคือต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ทำบาสห้าข้อนี้ตายไปแล้วต้องไปเกิดในอบายจุดใดจุดหนึ่งไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง นี่คือที่ไปรับโทษรับกรรมของผู้ที่ทำบาปทำกรรมทงหลายมีโทษทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และมีโทษหลังจากที่ตายไปแล้วอย่าไปคิดว่าบาปบุญนี้ไม่มีผลตามมาก็คิดว่าร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีผู้ไปรับผลแต่ผู้ที่รับผลผู้ที่ทำบุญทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่ทำบุญทำบาปที่แท้จริงก็คือใจใจที่รู้ที่คิดนี่แหละที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นผู้รับใช้แต่ผู้ที่ทำบุญทำบาปและผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี่คือผู้รู้ผู้คิดคือใจเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ เรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่ลหละเป็นกายที์เป็นร่างที์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับเรามองเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายตายไปกายทิพนี้ผู้รู้ผู้คิดนี่ยังอยู่ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นผลบุญก็ได้ไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่าง ถ้าได้ถ้าเป็นผลบาปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือผลที่เกิดจากการกระทาที่เกิดโทษถ้าเราไม่อยากกระทาในสิ่งที่ทําให้เกิดโทษก็อย่าไปทําผิดกฎหมายอย่าไปทําบาปพยายามรักษาศีลห้าให้ได้แล้วชีวิตเราจะมีความสุข ขณนะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่กลัวตำรวจเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายใจก็เย็นสบายไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่กลัวว่าใครจะมาทำร้ายเรานี่คือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษนี่คือความสุขสี่ชนิดด้วยกันเหตุของความสุขสี่ชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา ทำกันถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความน่มเย็นเป็นสุดคือ1ให้มีทรัพย์ได้ทรัพย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องสองให้ใช้ทรัพย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องสามให้ไม่ไม่ให้มีหนี้สินและสี่ให้มีการกระทำที่ถูกต้องอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำบาปแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุข จึงขอฝากเรื่องของการสร้างความสุขสี่ชนิดนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล